ทรงเที่ยวบินธบาตในอาปนาิคมแล้วเสด็จกลับจากบินธบาตภายหลังเสวยพระกริยาหารเสร็จแล้วทรงเข้าไปยังราวป่าแห่งหนึ่งเพื่อประทับ พ, พักผ่อนกลางวันได้ประทับนั่งพักกลางวันที่โคนไม้แห่งหนึ่งในเวลาเช้าแม้ท่านพระอุทายีก็ครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเข้าไปบินธบาตยังอาปนาิคมเที่ยวบินธบาตในอาปนาิคมแล้วกลับจากบินธบาต ภายหลังฉันพัทหาเสร็จแล้วเข้าไปยังราวป่าเพื่อพักผ่อนกลางวันได้นั่งพักกลางวันที่โคนไม้แห่งหนึ่งครั้งนั้นท่านพระอุทายีหลีกรเนอยู่ในที่สงัดได้เกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงกำจัดธรรมอันเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นอันมากของเราทั้งหลายออกไปได้พระผู้มีพระภาคทรงนำธรรมอันเป็นเหตุแห่งสุขเป็นอันมากมาให้เราทั้งหลาย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 มูลเหตุที่ทรงห้ามฉันในเวลาวิการท่านพระอุทายีนั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประธานวโรกาสข้าพระองค์หลีกเล้นอยู่ในที่สงัดได้เกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงกําจัดธรรมอันเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นอันมากของเราทั้งหลายออกไปได้ พระผู้มีพระภาคทรงนำธรรมอันเป็นเหตุแห่งสุขเป็นอันมากมาให้เราทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงกำจัดอกุศลธรรมเป็นอันมากของเราทั้งหลายออกไปได้พระผู้มีพระภาคทรงนำกุศลธรรมเป็นอันมากมาให้เราทั้งหลายก็เมื่อก่อนข้าพระองค์เคยฉันได้ทั้งเวลาเยน็นเวลาเช้าและเวลาวิกาลกลางวันหลังเที่ยงในสมัยที่พระผู้มีพระภาค ได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายจงเลิกฉันโภชนะในเวลาวิกาลกลางวันเสียเถิดข้าพระองค์นั้นมีความน้อยใจมีความเสียใจว่าข้าพเจ้ทั้งหลายผู้มีศรัทธาจะถวายของควรเคี้ยวของควรฉันอันประนีตแม้ใดแก่เราทั้งหลายในเวลาวิกาลกลางวันพระผู้มีพระภาคผู้สุคต รับสั่งให้เราทั้งหลายเลิกฉันโภชนะในเวลาวิกาลกลางวันแม้นั้นเสียแล้วข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นเมื่อพิจารณาเห็นความรักความเคารพความละอายและความเกรงกลัวในพระผู้มีพระภาคจึงยอมเลิกฉันโภชนะในเวลาวิกาลกลางวันนั้นเสียด้วยอาการอย่างนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นจึงฉันในเวลายเย็นและเวลาเช้า ในสมัยที่พระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรือภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายจงเลิกฉันโภชนะในเวลาวิกาลกลางคืนเสียเถิดข้าพระองค์นั้นมีความน้อยใจมีความเสียใจว่าพระผู้มีพระภาคผู้สุคตรับสั่งให้เราเลิกฉันโภชนะที่นับว่าประณีตกว่าบรรดาโภชนะทั้งสองนิเสียข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เรื่องเคยมีมาแล้วบุรุษคนหนึ่งได้ของที่ควรจากแกงมาในเวลากลางวันจึงบอกพัญญาอย่างนี้ว่าเอาเอถิดเธอจงเก็บสิ่งนี้ไว้เราทั้งหมดจากบริโภค พ, พร้อมกันในเวลาเย็นอะไรอะไรทั้งหมดที่จะปรุงกินย่อมมีรสอร่อยในเวลากลางคืนเวลากลางวันมีรสไม่อร่อยข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นเมื่อพิจารณาเห็นความรักความเคารพความละอาย และความเกรงกลัวในพระผู้มีพระภาคจึงยอมเลิกฉันโภชนะในเวลาวิการกลางคืนนั้นเสียเรื่องเคยมีมาแล้วภิกษุทั้งหลายเที่ยวบินทบดีไปในเวลามืดค่าย่อมเข้าไปใกล้บ่อน้ำคลำบ้างตกลงในหลุมโศโครกบ้างบุกเข้าไปยังป่าหนาบ้างเหยียบแม่โคที่กําลังหลับบ้างพบกับโจรผู้ทโจรกรรมบ้างผู้ยังไม่ได้ทโจรกรรมบ้าง ถูกมาทุกขามชักชวนให้เสพสมบ้างเรื่องเคยมีมาแล้วข้าพระองค์เที่ยวบินธบาทไปในเวลามืดค่าหญิงคนหนึ่งกำลังล้างภาชนะอยู่ได้เห็นข้าพระองค์โดยแสงฟ้าแลบแล้วตกใจกลัวร้องเสียงหลงว่าว้ายผีหลอกเมื่อหญิงนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วข้าพระองค์จึงพูดกับเธอว่าไม่ใช่ผีหอกน้องหญิงเราเป็นภิกษุยืนบินบาตอยู่ หญิงนั่นกล่าวว่าพ่อแม่ของภิกษุคงตายแล้วกระนั้นหรือภิกษุท่านเอามีดคมๆสาหรับเชือดโคมาเชือดท้องของดิฉันเสียยังดีกว่าการที่ท่านมาเที่ยวบิณฑบาตในเวลามืดค่าอย่างนี้เพราะเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่ดีเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ระลึกถึงเรื่องนั้นอยู่จึงคิดอย่างนี้ว่า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 อุปมาด้วยนางนกมูลไถยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุทายีอย่างนั้นเหมือนกันโมฆบุรุษบางพวกในธรรมวินัยนี้เมื่อเรากล่าวว่าจงละความผิดนี้เสียเถิดก็กล่าวอย่างนี้ว่าความผิดเพียงเล็กน้อยนี้จะสำคัญอะไรพระสมณรูปนี้ช่างเคลื่อคลัดนักพวกเขาจึงไม่ละความผิดนั้นทั้งที่ยังมีความยำเกรงในเราอยู่อันหนึ่ง ความผิดเพียงเล็กน้อยของภิกษุทั้งหลายผู้ใคร่ในสิกขาย่อมเป็นเครื่องผูกที่มีกําลังมั่นคงแน่นแฟ้นไม่เปื่อยเป็นเหมือนท่อนไม้ใหญ่เปรียบเหมือนนางนกมูลไถ่ถูกผูกด้วยเถาหัวด้วนย่อมรอเวลาที่จะถูกฆ่าเวลาที่จะถูกมัดหรือความตายในที่นั้นเองผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเครื่องดักคือเถาหัวด้วนที่เขาใช้ผูกนางนกมูลไถ่ ซึ่งรอเวลาที่จะถูกฆ่าเวลาที่จะถูกมัดหรือความตายในที่นั้นเป็นเครื่องผูกไม่มีกําลังบอบบางเปื่อยไม่มีแกนผู้นั้นเมื่อกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวถูกต้องหรือไม่ท่านพระอุทายีกราบทูลว่าไม่พระพุทธเจ้าค่ะเครื่องดักคือเถาหัวด้วนที่เขาใช้ผูกนางนกมูลไทยซึ่งรอเวลาที่จะถูกฆ่าเวลาที่จะถูกมัด หรือความตายในที่นั้นแหลเป็นเครื่องผูกที่มีกำลังมั่นคงแน่นแฟนไม่เปื่อยเป็นเหมือนท่อนไม้ใหญ่พระพุทธเจ้าค่ะอุทายีโมฆะบุรุษบางพวกในธรรมวินัยนี้ก็อย่างนั้นเหมือนกันเมื่อเรากล่าวว่าจงละความผิดนี้เสียเถอก็กล่าวอย่างนี้ว่าความผิดเพียงเล็กน้อยนี้จะสำคัญอะไรพระสมณรูปนี้ช่างเคร่งคลัดนัก พวกเขาจึงไม่ละความผิดนั้นทั้งที่ยังมีความยำเกรงในเราอยู่อันหนึ่งความผิดเพียงเล็กน้อยของพิสุทั้งหลายผู้ใคร่ในสิขาย่อมเป็นเครื่องผูกที่มีกำลังมั่นคงแน่นแฟ้นไม่เปื่อยเป็นเหมือนท่อนไม้ใหญ่ อุปมาด้วยช้างตนอุทายีส่วนกุลบุตรบางผู้ในธรรมวินัยนี้เมื่อเรากล่าวว่าจงละความผิดนี้เสียเถิดก็กล่าวอย่างนี้ว่าความผิดเพียงเล็กน้อยที่ต้องละนี้จะสําคัญอะไรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสสอนให้เราทั้งหลายละพระสุคตจึงตรัสสอนให้เราทั้งหลายสลัดทิ้งพวกเขาละความผิดนั้นทั้งที่ไม่มีความยำเกรงในเราอันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายผู้ใคร่ในสิกขาและความผิดนั้นแล้วไม่มีความดิ้นรนไม่หวาดกลัวดำรงชีวิตด้วยของที่ผู้อื่นให้มีใจดุดมรึกอยู่ความผิดเพียงเล็กน้อยของภิกษุเหล่านั้นย่อมเป็นเครื่องผูกที่ไม่มีกำลังบอ บ, บางเปื่อยไม่มีแก่นสารเปรียบเหมือนช้างต้นมีงางงอนงามเป็นช้างทรงที่มีชาติกาเนิดดีเคยฝ่าศึกสงครามมาแล้ว ควานช้างล่ามโซ่ไว้อย่างมั่นคงพอมันสะบัดกายเท่านั้นก็จะทำให้โซ่ที่ล่ามไว้นั้นขาดแล้วหนีไปตามใจปรารถนาผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าช้างต้นนั้นมีงางอนงามเป็นช้างทรงที่มีชาติกาเนิดดีเคยฝ่าศึกสงครามมาแล้วควานช้างล่ามโซ่ไวอย่างมั่นคงพอมันสะบัดกายเท่านั้นก็จะทำให้โซ่ที่ล่ามไว้นั้นขาดหนีไปตามใจปรารถนา โซ่นั้นจัดเป็นเครื่องผูกที่มีกำลังมั่นคงแน่นแฟ้นไม่เปื่อยเป็นเหมือนท่อนไม้ใหญ่ผู้นั้นเมื่อกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวถูกต้องหรือไม่ไม่พระพุทธเจ้าค่าเพราะช้างต้นนั้นมีงางงอนงามเป็นช้างทรงที่มีชาติกำเนิดดีเคยฝ่าศึกสงครามมาแล้วควานช้างล่ามโซ่ไว้อย่างมั่นคงพอมันสะบัดกายเท่านั้นก็จะทาให้โซที่ล่ามไว้นั้นขาด แล้วหนีไปตามใจปรารถนาเครื่องผูกช้างต้นนั้นจะเป็นเครื่องผูกที่ไม่มีกําลังละถึงไม่มีเขียนสารพระพุทธเจ้ า, า, าค่ะอุทายีกุลบุตรบางผู้ในธรรมวินัยนี้ก็อย่างนั้นเหมือนกันเมื่อเรากล่าวว่าจงละความผิดนี้เสียเถิดก็กล่าวอย่างนี้ว่าความผิดเพียงเล็กน้อยที่จะต้องละนี้จะสําคัญอะไรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสสอนให้เราทั้งหลายละ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 ไม่มีแกนสารอุปมาด้วยคนจนอุทายีเปรียบเหมือนคนยากไร้ไม่มีทรัพย์สินสิ่งไรเป็นของตนจัดเป็นคนจนไม่ใช่คนมั่งคั่งเลย เขามีเรือนเล็กๆหลังหนึ่งซึ่งมีเครื่องมุงและเครื่องประกอบอื่นๆผุพังหลุดลุย่ยต้องคอยไล่นกกาไม่เป็นรูปบ้านมีแคร่อันหนึ่งก็ผุพังแทบไม่เป็นแคร่มีข้าวเปลือกแล ะ, มะเมล็ดพืชสําหรับหวานหม้อหนึ่งซึ่งไม่ใช่พันธุดีมีพรนยาคนหนึ่งก็ไม่สวยเขาเห็นภิกษุผู้อยู่ในอารามมีมือและเท้าล้างสะอาดสะอ้านฉันโภชนะล้วนหน้าอร่อย นั่งอยู่ในสถานที่ร่มรื่นเย็นสบายเจริญธรรมฝึกสมาธิเขาจะพึง ม, มีความคิดอย่างนี้ว่าความเป็นสมณนะน่าสุขสบายหนอะความเป็นสมณนะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหนอะเราควรจะโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตบ้างแต่เขาไม่อาสละเรือนหลังเล็กนั้นซึ่งมีเครื่องมุงบางและเครื่องประกอบอื่นๆผุพังหลุดลุย่ย ต้องคอยไล่นกกาไม่เป็นรูปบ้านไม่อาจละแค่อันหนึ่งที่ผูกพังแทบไม่เป็นแค่ไม่อาจละเข้าเปลือกและเมล็ดพืชสำหรับหวานหมอหนึ่งซึ่งไม่ใช่พันธุ์ดีไม่อาจละพันยาคนหนึ่งซึ่งมีรูปไม่สวยแล้วโกนผมและหนวดนุ่งห่ผมผ้ากาสวพัสดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตได้อุทายีผู้ได้กล่าวอย่างนี้ว่าเครื่องผูกที่ผูกบุรุษนั้น ผู้ม่อาจละเรือนหลังเล็กๆหลังหนึ่งซึ่งมีเครื่องมุงบางและเครื่องประกอบอื่นๆผุพังหลุดลุย่ยต้องคอยไล่นกกาไม่เป็นรูปบ้านไม่อาจละแครอันหนึ่งที่ผุพังแทบไม่เป็นแคร่ไม่อาจละเข้าเปลือกและเมล็ดพืชสำหรับหวานหม้อหนึ่งซึ่งไม่ใช่พันดีไม่อาจละพันยาคนหนึ่งซึ่งมีรูปไม่สวยและโคนผมและหนวดนุ่งข่มผ้าคาสวพั์ ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะเป็นเครื่องผูกที่ไม่มีกำลังบบกบางเปื่อยไม่มีแขนสารผู้นั้นเมื่อกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวถูกต้องหรือไม่ไม่พระพุทธเจ้าข้าเพราะเครื่องผูกที่ผูกบรุษนั้นผู้ไม่อาจละได้แม้แต่เรือนหลังเล็กๆหลังนั้นซึ่งมีเครื่องมุงและเครื่องประกอบอื่นๆผูกพังหลุดลุย่ยที่ต้องคอยไล่นกกาไม่เป็นรูปบ้าน ไม่อาจละแคร่อันหนึ่งที่ผุพังแทบไม่เป็นแคร่ไม่อาจละเข้าเปลือกแล ะ, มะเมล็ดพืชสำหรับหวานหม้อหนึ่งซึ่งไม่ใช่พันธุ์ดีไม่อาจละพันยาคนหนึ่งซึ่งมีรูปไม่สวยแล้วโคนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตได้จัดเป็นเครื่องผูกที่มีกำลังมั่นคงแน่นแฟน้นไม่เปื่อยเป็นเหมือนท่อนไม้ใหญ่อุทายี โมฆะบุรุษบางพวกในธรรมวินัยนี้ก็อย่างนั้นเหมือนกันเมื่อเรากล่าวว่าจงละความผิดนี้เสถิดก็กล่าวอย่างนี้ว่าความผิดเพียงเล็กน้อยนี้จะสำคัญอะไรพระสมณะรูปนี้ช่างเคร่งครัดนักพวกเขาจึงไม่ละความผิดนั้นทั้งที่ยังมีความยำเกรงในเราอันหนึ่งความผิดเพียงเล็กน้อยของภิสุทั้งหลายผู้คร่ในสิก ข, ขานั้นย่อมเป็นเครื่องผูกที่มีกาลัง มั่นคงแน่นแฟ้นไม่เปื่อยเป็นเหมือนท่อนไม้ใหญ่อุปมาด้วยคนมั่งมีอุทายีเปรียบเหมือนข้าอาบดีหรือบุตรข้าอาบดีผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีสมบัติมาก สะสมทองไวหลายร้อยแท่งสะสมข้าเปลือกนาที่ดินพัญยาทาดชายทาดหญิงไว้เป็นอันมากเขาเห็นภิกษุผู้อยู่ในอารามมีมือและเท้าล้างสะอาดสะอา้านฉันโพชนะล้วนน่าอร่อยนั่งอยู่ในสถานที่ร่มรื่นเย็นสบายเจริญธรรมฝึกสมาธิเขาจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าความเป็นสมณนะน่าสุขสบายหนอความเป็นสมณนะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหนอ เราควรจะโกนผมและหนวดนุ่งหมผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตบ้างเขาอาจจะละทองหลายร้อยแท่งและเข้าเปลือกนาที่ดินพัญญาธาต ช, ชายทาตหญิงเป็นอันมากแล้วโกนผมและหนวดนุ่งหมผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเครื่องผูกที่ผูกข่าบดีหรือบุกฆ่าบดี ผู้อาจละทองหลายร้อยแท่งและเข้าเปลือกนาที่ดินพัญญาท่าชายท่าหญิงเป็นอันมากแล้วโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาเสวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจัดเป็นเครื่องผูกที่มีกําลังมั่นคงแน่นแฟ้นไม่เปื่อยเป็นเหมือนท่อนไม้ใหญ่ผู้นั้นเมื่อกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวถูกต้องหรือไม่ไม่พระพุทธเจ้าข่า เพราะเครื่องผูกที่ผูกข้าบดีหรือบุกข้าบดีผู้อาจละทองหลายร้อยแท่งละเข้าเปลือกนาที่ดินพัญญาท่าชายท่าหญิงเป็นอันมากแล้วโกนผมและหนวดนุ่งข่มผ้ากาสวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตจัดเป็นเครื่องผูกที่ไม่มีกำลังบอ บ, บางเปื่อยไม่มีแกนสารพระพุทธเจ้าข่าอุทายี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 บุคคลสี่จำพวกอุทายีบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้หนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละอุปธิเพื่อสลัดทิ้งอุปธิความดำริที่แล่นไปอันประกอบด้วยอุปธิยังครอบงำบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อละอุปธิเพื่อสลัดทิ้งอุปธินั้นอยู่ ผู้นั้นยังรับความดำรินั้นไว้ไม่ละไม่บันเทาไม่ทำให้สิ้นสุดและไม่ทำให้หมดไปเราเรียกบุคคล น, นี้ว่าผู้ยังมีกิเลสไม่ใช่ผู้คลายกิเลสข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเรารู้ความต่างแห่งอินทรีย์ในบุคคล น, นี้ 2. เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละอุปธิเพื่อสลัดทิ้งอุปธิความดำริที่แล่นไปอันประกอบด้วยอุปธิ ยังครอบงำบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อละอุปธิเพื่อสลัดทิ้งอุปธินั้นอยู่ผู้นั้นไม่รับความดำริเหล่านั้นไว้ละได้บรรเทาได้ทำให้สิ้นสุดได้และทำให้หมดไปเราเรียกบุคคลนี้ว่าผู้ยังมีกิเลสไม่ใช่ผู้คลายกิเลสข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเรารู้ความต่างแห่งอินทรีย์ในบุคคล น, นี้ 3. เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละอุปธิ เพื่อสลัดทิ้งอุปธิความดำริที่แล่นไปอันประกอบด้วยอุปธิยังครอบงำบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อละอุปธิเพื่อสลัดทิ้งอุปธินั้นอยู่เพราะความหลงลืมสติในบางครั้งบางคราวสติเกิดช้าไปที่จริงเขาละได้บรรเทาได้ทําให้สิ้นสุดได้และทําให้หมดไปได้ฉับพลันคนหยดน้ำสองหยดหรือสมหยดลงในกระทะเหล็กที่ร้อนอยู่ตลอดวัน หยดน้ำที่หยดลงอย่างช้าๆก็จะเหือดแห้งไปฉับพลันแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละอุปธิเพื่อสลัดชิงอุปธิความดาริที่แล่นไปอันประกอบด้วยอุปธิยังครอบงำบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อละอุปธิเพื่อสลัดชิงอุปธินั้นอยู่เพราะความหลงลืมสติในบางครั้งบางคราวสติเกิดช้าไป ที่จริงเขาละได้บรรเทาได้ทำให้สิ้นสุดได้และทำให้หมดไปได้โดยฉับพลันเราเรียกบุคคล น, นี้ว่าผู้ยังมีกิเลสไม่ใช่ผู้คลายกิเลสข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเรารู้ความต่างแห่งอินทรีย์ในบุคคล น, นี้ 4. รู้ว่าอุปธิเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วเป็นผู้ไม่มีอุปธิน้อมจิตไปในธรรมเป็นที่สิ้นอุปธิเราเรียกบุคคล น, นี้ว่า ผู้คลายกิเลสได้แล้วมิใช่ผู้มีกิเลสข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเรารู้ความต่างแห่งอินทรีย์ในบุคคลนี้บุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกกามคุณ5ประการ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 โคตพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัดกามคุณมีห้าประการนี้แหลอุทายีสุคโสมนัสที่อาศัยกามคุณห้าประการนี้เกิดขึ้นเราเรียกว่าความสุขที่เกิดจากการความสุขไม่สะอาดความสุขของปุถุชนไม่ใช่ความสุขของพระอริยะเรากล่าวว่าไม่ควรเสพ ไม่ควรให้เจริญไม่ควรทำให้มากควรเกรงกลัวสุขชนิดนี้รูปฌานสีอุทายีภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอากัสรธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปถมฌานละถึงอยู่เพราะวิตกวิจารสรงบระงับไปบรรลุทุติยฌานเพราะปิติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัตและโทมนัตดับไปก่อนบรรลุจตุทัชฌานอยู่ฌานทั้งสี่นี้เราเรียกว่า ความสุขอันเกิดจากการออกจากกามความสุขเกิดจากความสงบความสุขเกิดจากความสงบความสุขเกิดจากการตรัสรู้เรากล่าวว่าควรเสพควรให้เจริญควรทำให้มากไม่ควรเกรงกลัวสุขชนิดนี้ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุสุลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปถมฌานอยู่ ปฐมฌานนี้เรากล่าวว่ายังวันไหวในปฐมฌานนั้นยังมีอะไรหวันไหวรานที่วิตกวิจารณ์ในปฐมฌานนี้ยังไม่ดับเป็นความหวันไหวในปฐมฌานนั้นเพราะวิตกวิจารณ์สงบระ ง, งับไปภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุทุติยฌานอยู่แม้ทุติยฌานนี้เราก็กล่าวว่ายังวันไหวในทุติยฌานนั้นยังมีอะไรหวันไหว การที่ปิติและสุขในทุติยชานี้ยังไม่ดับเป็นความหวันไหวในทุติยชาณนั้นเพราะปิติจางคลายไปภิกษุในธรรมวินัยนี้มีอุเบขามีสติสัมปชัญญะความสุขด้วยนามกายบรรลุตติยชาญอยู่แม้ตติยชานี้เราก็กล่าวว่ายังหวันไหวในตติยชาณนั้นยังมีอะไรวันไหว การที่อุเบกขาและสุขในตัติยชานี้ยังไม่ดับเป็นความวันไหวในตัติยชานั้นเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุเจตุทัฌานอยู่เจตุทัฌานนี้เรากล่าวว่าไม่วันไหว ลูปฌานสี่อุทายีภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอริยสัธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานอยู่ปฐมฌานนี้เรากล่าวว่าไม่ควรทําความอาลัยเธอทั้งหลายจงละจงก้าวล่วงอะไรเล่าเป็นธรรมเครื่องก้าวล่วงปฐมฌานนั้นคือเพราะวิตกวิจารณ์สงบระ ง, งับไปภิกษุในธรรมวินัยนี้ บรรลุทุติยชาญอยู่นี้เป็นธรรมเครื่องก้าวล่วงปฐมฌานนั้นแม้ทุติยชานนี้เราก็กล่าวว่าไม่ควรทำความอาลัยเธอทั้งหลายจงละจงก้าวล่วงอะไรเล่าเป็นธรรมเครื่องก้าวล่วงทุติยชานนั้นคือเพราะปีติจางคลายไปภิกษุในธรรมวินัยนี้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานอยู่นี้เป็นธรรมเครื่องก้าล่วงทุติยฌานนั้นแม้ตติยฌานนี้เราก็กล่าวว่าไม่ควรทำความอาลัยเธอทั้งหลายจงละจงเก้าล่วงอะไรเล่าเป็นธรรมเครื่องเก้าล่วงตติยฌานนั้นคือเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุจตุตัฌานอยู่ นี้เป็นธรรมเครื่องก้าวล่วงตติยชาณ น, นั้นแม้จตุติชาณ น, นี้เราก็กล่าวว่าไม่ควรทำความอาไลเธอทั้งหลายจงละจงก้าวล่วงอะไรเล่าเป็นธรรมเครื่องก้าวล่วงจตุติชาณ น, นั้นคือเพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานัตสัญญาโดยประการทั้งปวงภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุอากาสาณนนจายตนะชาญอยู่ โดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้นี้เป็นธรรมเครื่องก้าวล่วงจจตุทชานนั้นแม้อากาสานัญจายตนะชานนี้เราก็กล่าวว่าไม่ควรทำความอาไรเธอทั้งหลายจงละจงก้าวล่วงอะไรเล่าเป็นธรรมเครื่องก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะชานนั้นคือเพราะล่วงอากาสานัญจายตนะชานโดยประการทั้งปวง ที่สุดในธรรมวินัยนี้บรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานอยู่โดยกําหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้นี้เป็นธรรมเครื่องเก้าล่วงอากาสาัญญายตนะฌานนั้นแม้วิญญาณัญจายตนะฌานนี้เราก็กล่าวว่าไม่ควรทําความอาลัยเธอทั้งหลายจงละจงเก้าล่วงอะไรเล่าเป็นธรรมเครื่องเก้าร่วงวิญญาณัญญายตนะฌานนั้น คือเพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุอาคินจัญญาญตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าไม่มีอะไรนี้เป็นธรรมเครื่องก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานนั้นแม้อาคินจัญญาญตนะฌานนี้เราก็กล่าวว่าไม่ควรทำความอาลัยเธอทั้งหลายจงละจงก้าวล่วง อะไรเล่าเป็นธรรมเครื่องก้าวล่วงอาคินจัญญายตนะฌานนั้นคือเพราะล่วงอาคินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่นี้เป็นธรรมเครื่องก้าวล่วงอาคินจัญญายตนะฌานนั้นแม้เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนี้เราก็กล่าวว่าไม่ควรทำความอาไลเธอทั้งหลายจงละจงก้าวล่วง อะไรเล่าเป็นธรรมเครื่องก้าวล่วงในวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นคือเพราะล่วงในวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่นี้เป็นธรรมเครื่องก้าวล่วงในวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นเรากล่าวการละแม้เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนี้ด้วยประการอย่างนี้ อุทายีสังโยชน์ที่ละเอียดหรือหยาบนั้นซึ่งเรายังไม่ได้กล่าวถึงการละเธอเห็นหรือไม่ท่านพระอุทายีกราบทูลว่าไม่พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคได้ตรัพภาสิทธินี้แล้วท่านพระอุทายีมีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลแลตุกิโกประมะสูตรที่หจบ 7. จตุมาสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในหมู่บ้านจาตุมาเรื่องพระอคันตุกะผู้เสียงดังข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะอามละกีวันหมู่บ้านจาตุมาสมัยนั้นแลภิกษุประมาณห้าร้อรูปมีท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคลานะเป็นหัวหน้า เดินทางมาถึงบ้านจาตุมาเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นสนธนาปราใสกับภิกษุเจ้าถิน่นจัดเสนาสนะเก็บบาตรและจีวร อ, อยู่ส่งเสียงดังอื้ออึงครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรามว่าอานนท์ผู้ที่ส่งเสียงดังอื้ออึงเหมือนชาวประมงแย่งปลากันเป็นภิกษุพวกไหน ท่านพระอนนทุนตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุประมาณห้าร้อยรูปมีท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคลานะเป็นหัวหน้าเดินทางมาถึงบ้านจาตุมาเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคภิกษุอคันตุกะเหล่านั้นสนธนาปราศัยกับภิกษุเจ้าถิน่นจัดเสนาสนะเก็บบาทและจีวร อ, อยส่งเสียงดังอื้ออึงพระพุทธเจ้าค่ะอนนท์ถ้าเช่นนั้น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 ภิกษุอคันตุกะเหล่านั้นปราสายกับภิกษุเจ้าถิ่นจัดเสนาสนะเก็บบาทและจีวร อ, อยู่ส่งเสียงดังอื้อเอิญพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงไปเราขอขับไล่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายไม่ควรอยู่ในสำนักของเราภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระตํารมดั่แล้วลุกจากอาสนะถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาค กระทำประทักษิณแล้วเก็บเสนาสะนะถือบาทและจีวรจากไปสมัยนั้นเจ้าสักยะชาวบ้านจาตุมามาประชุมกันอยู่ที่หอประชุมด้วยกรณียกยิบบางอย่างได้เห็นภิกษุเหล่านั้นเดินมาแต่ไกลจึงเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่ได้กล่าวกับพิกษุเหล่านั้นว่าพระคุณท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจะพากันไปไหนเล่าภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุสงฆ์ถูกพระผู้มีพระภาคทรงขับไล่แล้วพราะคุณท่านทั้งหลายถ้าเช่นนั้นขอท่านทั้งหลายจงนั่งอยู่ที่นี่สักครู่หนึ่งบางทีพวกข้าพเจ้าอาจจะให้พระผู้มีพระภาคทรงพอพระทัยได้ภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วลำดับนั้นพวกเจ้าสากักยะชาวบ้านจาตุมาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรแล้วเด้๋ยกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงชื่นชมภิกษุสง์ขอจงรับสั่งกับภิกษุสงเถิดขอพระผู้มีพระภาคจงทรงอนุเคราะห์ภิกษุสง์ในบัดนี้เหมือนอย่างที่เคยทรงอนุเคราะห์ในการก่อนด้วยเถิดในภิกษุสง์นี้ภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นนวกะโบดไม่นาน พึ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้ก็มีอยู่เมื่อพิกษุเหล่านั้นไม่ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคจะพึ่งมีความน้อยใจมีความแปรผันไปพืชที่ยังอ่อนเมื่อขาดน้ำก็จะเหี่ยวเฉาแปรเปลี่ยนสภาพไปแม้ฉันใดในภิกษุสงนี้ภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นนวกะโบทไม่นานพึ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้มีอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกัน